َإِذِ بْتَلَى إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ رَبُّهُ جَاعِلُكَ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي وَمِنْ และจงรำลึกถึงขณะที่พระผู้เป็นของอิบรอฮิม ทดสอบเขาด้วยพระบัญชาบางประกาศแล้วเขาก็ได้สนองพระบัญชานั้นอย่างครบถ้วนพระองค์ตรัสว่าแท้จริงข้าจะให้เจ้าเป็นผู้นํามนุษยชาติเขากล่าวว่าจากลูกหลานของฉันพระองค์ตัดว่าสัญญาของข้านั้นจะไม่ประสบแก่บรรดาผู้อาถรร وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً ل ِ ل ن َّ ا س ِ و َ أ َ م ْ ن َ ا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ م ُ ص َ ل َّ ى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أ ط َّ ه ِ ر ْ ط َّ ه ِ ر َ ا ب َ ي ْ ت ِ ي َ ل ِ ل ط َّ ا ئ ِ ف ِ ي ن َ و َ ا ل ْ ع َ ا ك ِ ف ِ ي ن َ و َ ا ل ر ُّ ك ّ ع ِ السُّجُودِ และจงดำลึกถึงขณะที่เราได้ให้บ้านหลังนั้นเป็นที่กลับมาสําหรับมนุษย์และเป็นที่ปลอดภัยพวกเจ้าจงยึดเอาจากมะกอมที่ยืนของนบีอิบรอฮีมเป็นที่ละหมาดและเราได้สั่งเสียแก่อิบราฮิมและอิสมาอินว่าเจ้าทั้งสองจงทําความสะอาดบ้านของข้าเพื่อบรรดาผู้ตะาวาฟและบรรดา ผู้ติกาและบรรดาผู้รุกัวและซุยและอิบราฮิมรบรแหี้เ็นบ้านที่ลอดภัยและประทานอาหารให้กับผู้ที่เชนันแะได้รับตอบแนจากพระเจ้าในวันพรุ่งนี้และผู้ที่ไม่เชื่อมันะรอ และจงรำลึกถึงขณะที่อิบรยฮีมได้กล่าววิงวอนว่าโอ้พระผู้บานของฉันโปรดให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ปลอดภัยด้วยเถิดและโปรดประทานผลไม้ต่างๆให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่ชาวเมืองนี้ด้วยเถิด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 إن أن ال และจงจำลึกถึงขณะที่อิบราฮิมและอิสมาเอลได้ตั้งฐานของบ้านหลังนั้นให้สูงขึ้นโดยทั้งสองได้กล่าวยิ่งบอนว่าโอ้พระวิบาลของเราได้โปรดรับจากพวกเราได้เถือ ถ้าจริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ร نا نا إن أن โอ้พระผู้บานของเราได้โปรดให้เราทั้งสองเป็นผู้นอบน้อมต่อพระองค์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 ซึ่งจะได้อ่านบรรดาองค์การของพระองค์ท่านให้เขาฟังและจะได้สอนคำผีและความมุ่งหมายแห่งบทบัญญัติให้พวกเขาทราบและซักพ่อพวกเขาให้สะอาดแท้จริงพระองค์ทรงเดชาลุภาพทรงปรีชายาาันยรร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 แ ล, ล, ล่าลลอิบรอหีบได้สั่งเสียแก่ลูกลูกของเขาให้ปฏิบัติตามแนวทางมันและยากูบก็สั่งเสียด้วยว่าโอ้ลูกลูกของฉันแท้จริงอัลลอฮได้ทรงเลือกาศาสนาให้แก่พวกเจ้าแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ายอมตายเป็นนังขาด นอกจากพวกเจ้าจะเ ป, ะปน็นผู้ยอมจำนวนต่ออัลลอฮ์เท่า น, นั้น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 แต่พระองค์เพียงพระองค์เดียวและพวกเราจะเป็นผู้ยอมจำนวนต่อพระองค์เท่านั้นนั่นคือหมู่ชนที่ล่วงลับไปแล้วสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว้ก็ย่อมได้แก่พวกเขา และสิ่งที่พวกเจ้าขนขวายไว้ก็ย่อมได้แก่พวกเจ้าพวกเจ้าจะไม่ถูกไต่สวนถึงสิ่งที่พวกเขากระทำัำและพวกเขากล่าวว่าพวกท่านจงเป็นยิวหรือเป็นคริสเตียนพวกเจ้าก็จะรับคําแนะนําที่ถูกต้อง มุ h d จงกล่าวเถอหาเช่นนั้นไม่แต่เป็นแนวทางที่อิบรอฮีมผู้ใฝ่หาความจริงต่างหาและเขาไม่เคยเป็นผู้บูชาจุด إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباق النبیون لا ويعقوب ربهم وما وما منهم موسى من أوتی وعیسى أوتی أحد نفرق بين พวกเจ้าจงกล่าวเถิดเราได้ศรัทธาต่อหร และสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เราและสิ่งที่ประทานลงมาแก่อิบรอฮิมอิสมาอินอิสฮะยาคูบและบรรดาวงวานเหล่านั้นและสิ่งที่มูซาและอีชาได้รับและสิ่งที่บรรดานบีได้รับจากพระผู้วิบาลของพวกเขาพวกเราไม่ได้แบ่งแยกท่านหนึ่งท่านใดจากเขาเหล่านั้นและพวกเราจะเป็นผู้จำนวนต่อพระองค์เท่านั้น แล้วถ้าหาพวกเขาสรัธาอย่างที่พวกเจ้าสรัทาแล้วแน่นอนพวกเขาจมได้รับทางนำที่ถูกต้องและหาพวกเขาผิหลังให้แน่นอน พวกเขาย่อมอยู่ในความแตกแยกกันและอัลลอ์ก็จะส่งให้พวกเจ้านั้นเพียงพอแก่พวกเขาและพระองค์นั้นเป็นผู้ส่งได้ยินผู้ส่งรอบรู้ยิงลลาาาการยอมของอัลลอ์และใครเล่าจะยอมดีไปกว่าอัลลอ์และพวกเราจะเป็นผู้เคารพภักดีต่อพระองค์ قل أتحاجونا في الله وهو ربنا وربكم ولنا ع م ا ل ن ا ولكم ع م ا ل ك م ونحن له مخلصون มุฮัมหมัดจงกล่าวเถอว่าพวกเจ้าจะโต้แย้งกับเราในเรื่องของอัลลอฮ์กระนั้นหรือทั้งทั้งที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้บานของพวกเรา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 أَأَنْتُمْ وَمَنْ تَعْمَلُونَ รือว ا าพวกเจ้าจะกล่าวว่าแท้จริงอิบราฮิมอิสมาอีนอิสห์ยาคุบและบรรดาวงว่าเหล่านั้น เคยเป็นยิวหรือเป็นคริสมุฮัมมัดจงกล่าวถิดว่าพวกเจ้ารู้ดียิ่งกว่าหรือว่าอัลลอฮ์กันแน่และผู้ใดจะทำยิ่งไปกว่าผู้ที่ปิดบังหลักฐานจากอัลลอฮ์ซึ่งมีอยู่ที่เขาและลอนั้นจะไม่ทรงเผลอในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ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 บรรดามนุษย ah ์ผ um ู้ชดขวานั rib, ah ā ā ้นจะกล่าวว่าอะไรเล่าที่ทำให้พวกเขาหันออกไปจากกิบลัก คือทิศทางของพวกเขาที่พวกเขาเคยผิดหน้าไปมุฮัมมัดจงกล่าวเถอะว่าทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนั้นเป็นสิทธิของอัลลอ์เท่านั้นพระองค์จะทรงแนะนำผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ไปสู่ทางอันเที่ยงตรงอ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي ك ل ت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول م ِ من يقلب على عقبه َإِنْ كَانَتْ إِلَّا الَّذِينَ لَكَبِيْرَةً عَلَى اللَّهِ هَدَ اللَّهُ اللَّهَ وَمَا لِيُضِيْعَ และในทํานองเดียวกันเราได้พวกเจ้าเป็นประชาชาติที่เป็นกลางเพื่อพวกเจ้าจะได้เป็นสขีพยานแก่มนุษย์ทั้งหลายและรอสูงก็จะเป็นสักขีพยานแก่พวกเจ้า และเราไม่ได้ให้มีขึ้นซึ่งคิปรัดที่เจ้าเคยผิดหน้าไปนอกจากเพื่อว่าจะได้รู้ว่าใครบ้างที่จะปฏิบัติตามเราศูนย์จากผู้ที่กำลังหันส้นเท้าทั้งสองของเขากลับและแท้จริงการเปลี่ยนแปลงคิปรัดนั้นเป็นเรื่องใหญ่นอกจากแก่บรรดาผู้ที่อัลลอ์ทรงแนะนำเท่านั้นและใช่ว่าอัลลอฮ์นั้นจะทาให้การศรัทธาของพวกเจ้าสูญไปก็หาไม่แท้จริง َ l ْ a h เป็นผู้ทรงปรานีผู Becca ้ทรงُมตตาแก่มนุษย์เ ط มอ ถ้าจริงเราเห็นใบหน้าของเจ้าแงานไปในฟากฟ้าบ่อยครั้งแน่นอนเราจะให้เจ้านั้นผินหน้าไปทางกิบลักที่เจ้าพึงพอใจดันั้นเจ้าจงผินใบหน้าของเจ้า ไปทางมัสยิดฮารอมเถิดและที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ก็จงผินใบหน้าของเจ้าไปทางทิศนั้นและแท้จริงบรรดาผู้ที่รับคำภีนั้นย่อมรู้ดีว่ามันคือความจริงที่มาจากพระผู้บานของพวกเขาและอัลลอ์นั้นไม่ทรงเผลอในสิ่งที่พวกเขากระทากัน <S <S و َمَا أَنْتَ ب ِ ت َ ا ت ب ِ ع ِ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ ب ِ ت َ ا ب ِ ع ِ ن قِبْلَتَ ب ُ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهُوَاءَهُمْ مِنْ بَعْضِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا ل َّ مِنَ الظَّالِمِينَ และแน่นอนถ้าพวกเจ้าได้นําหลักฐานทุกอย่าง มาแสดงแก่บรรดาผู้ที่รับคำพีพวกเขาก็จะไม่ตามกิบบะลัดของเจ้าและเจ้าก็ไม่ใช่จะเป็นผู้ตามกิบบลัดของพวกเขาและในบางกลุ่มของพวกเขาเองก็ไม่ใช่จะเป็นผู้ตามกิบบลัดของอีกบางกลุ่มและถ้าหากเจ้าได้ปฏิบัติตามความใคร่ของพวกเขาหลังจากที่มีความรู้มาอย่างเจ้าแล้วแน่นอนทันใดนั้นเจ้าก็จะอยู่ในหมู่ผู้อธรรม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 และสำหรับแต่ละประชาชาตินั้นต่างก็มีทิศทางหนึ่งซึ่งประชาชาตินั้นผิดหน้าไปสู่ดังนั้นพวกเจ้าจงแข่งขันกันทำความดีทั้งหลายกันเถิดที่ใดก็าตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ อลัลลอก็จะส่งนำพวกเจ้ามาทั้งหมดแท้จริงอลัลลอฮ์ทรงเดชารุภาพเหนือทุกสิ่งและจากที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าออกไปก็จงผิดหน้าไปทางมัสยิดฮะรอ์และแท้จริง มันคือความจริงที่มาจากพระวิบาลของพูกเจ้าแล้วล้อนั้นไม่เป็นผู้ทรงเผลอในสิ่งที่พวกเขากระทำว่มิในที่ขจรจึงเทวาลลิ وجه คชัตุรัลมัสจิดอัลฮะรัมว่าที่มาคุณทั้งสอ ك เทวาลลูจูห์คุณชัตุรัลลัลลาจะคุณลินนัสอาลัยคุณพุชเตَนอัลลัลลัลลัลลัลลัลลัลลัลลั ก็จงผินหน้าของพวกเจ้าไปทางนั้นเจ้าออกไปก็จงผินหน้าของพวกเจ้าไปทางมัสยิดฮารอและที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ก็จงผินหน้าของพวกเจ้าไปทางนั้นเพื่อว่าจะได้ไม่เป็นข้ออ้างใดๆแก่หมู่ชนที่แย้งพวกเจ้าได้ นอกจากบรรดาผู้อาธรรมในหมู่ของพวกเขาเท่านั้นแต่นั้นพวกเจ้าจงอย่า ก, กลัวพวกเขาแต่จงกลัวข้าเถิดและเพื่อที่ข้าจะได้ความกรุณาของข้าครบถ้วนแก่พวกเจ้าและเพื่อว่าพวกเจ้าจะรับทางนําที่ถูกต้อง。กกกกมมมาออสลลุุบนย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 และจะทําให้พวกเจ้านั้นสะากบริสุทธิ์และจะสอนคมพีและข้อปฏิบัติให้แก่พวกเจ้าและจะสอนพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าไม่เคยรู้มาก่อนดังนั้นพวกเจ้าจงรำลึกถึงข้าเถิดข้าก็จะรำลึกถึงพวกเจ้าจงขอบคุณข้าเถิดและจงอยาในละคุณต่อข้าเลย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 ลและพวกเจ้าอยากกล่าวแก่ผู้ที่ถูกฆ่าใน้นทางของเราว่าพวกเขาตายไม่ได้พวกเขายังมีชีวิตอยู่แต่เท่าว่าพวกเจ้าไม่รู้ และแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากความกลัวและความหิวและด้วยความสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่งจากทรัพย์สมบัติชีวิตและพืชผลและเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่ผู้อดทนเถิด อคือบรรดาผู้ที่เมื่อมีเคราะห์ร้ายมาประสบแก่พวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงพวกเราเป็นกรสิทธิ์ของ a ลล a h และแท้จริงพวกเราจะกลับไปอย่างโผล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 ا ินนั ف ซ و َาแ م ะมْัَ ع َมิชไกร์อีลลา فمنحج البيت أويعتمر فلاجناح عليه أي الطوّف بهما وما تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ทัติภูเขาซอฟ่าและภูเขามรั ا นัน เป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาเครื่องหมายของอลลดังนั้นผู้ใดที่ประกอบพิธีหัจหรืออุมรอนะับใบตุลลอก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาที่จะเดินวนเวียนไปมาระหว่างภูเขาทั้งสองนั้นและผู้ใดประกอบความดีโดยสมัครใจแล้วแน่นอนอลลนั้นเป็นผู้ทรงขอบใจผู้ทรงรอบรู้ تمون نات الكتاب والهدى أنز ناس الب ائika ل بيjannaه في แท้จริงบรรดาผู้ปิดบังหลักฐานอันชัดเจนและทางนามันถูกต้องที่เราได้ลงมา หลังจากที่เราได้ชี้แจงมันไว้แล้วในคำภีรสําหรับมนุษย์นั้นชนเหล่านี้แหละที่ลอสจะทรงสาบแช่งพวกเขาและผู้สาบแช่งทั้งหลายก็จะสาบแช่งพวกเขาด้วยนอกจากผู้ที่สํานึกผิดกลับเนื้อกลับตัวและปรับปรุงแก้ไขและชี้แจงสิ่งที่ปกปิดไว้ ชนเหล่านี้ข้าจะอภัยโทษแก่พวกเขาและข้าคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมออินนั้ลทีนักกัฟรุวะมาตุวะห์มคุฟฟารอุลัยค์กาลัยมละตุอัลลอฮ์อุลัยค์กาลัยห์มละเนตุัลลอฮีวัลมาอิกะตวะลนัสอัจมอีน แค่จึงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและได้สิ้นชีพลงขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่นั้นชนเหล่านี้จะรับการสาปแช่งจากอัลลอฮ์และจะรับการสาปแช่งจากมาลาัยกาและมนุษย์ทั้งมวลดับรพวกเขาจะอยู่ในการสาปแช่งของอัลลอฮ์และการสาปแช่งจากมาลาัยกา และมนุษย์ตลอดกาลโดยที่การลงโทษนั้นจะไม่ถูกผ่อนปลนแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาจะไม่ถูกรังรอดในการลงโทษเลยและผู้ที่ควรแก่การเคารพสการะของพวกเจ้านั้นมีเพียงองค์เดียวไม่มีผู้ควรแก่การเคารพสการะใดๆนอกจากพระองค์ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر و ا ف ل ك ا ل ت ج ر في البحر بما يفعل الناس وما أنزل الله وما أ ن ل الله من السماوات.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 และให้เมฆซึ่งถูกกำหนดให้บริการแก่โลกผันแปรไประหว่างฟาก ฟ, ฟ้าและผันดินนั้นแน่นอนล้วนเป็นสัญญาณนา น, า, นาประการแก่กลุ่มชนที่ใช้ปัญญาว َلَوْ لِللَّاهِ และในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้ที่ยึดเอาภาคีอื่นๆนอกจากอัลลอ์ซึ่งพกเขารักภาคีเหล่านั้นเช่นเดียวกับที่รักอัลลอ์แต่บรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นผู้ที่รักอัลลอ์มากยิ่งกว่า